เดารอนท่านพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่หกกรกฎาคมพุทธศักราชสอง8สตรงกับวันพุธแรมสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดปีรากาเป็นวันพระวันธรรมัสวนณะ วันฟังธรรมเป็นวันที่เราจะมาฟังเรื่องราวของชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นเปรียบเหมือนกับการเดินทางเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนถ้าเรามีข้อมูลไว้ล่วงหน้าก่อนว่าสถานที่ที่เราจะไปนั้นอยู่ในสภาพอย่างไรถนนหนทางที่จะพาเราไปนั้น เป็นอย่างไรถ้าเรารู้สภาพต่างๆว่าเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถเตรียมการ mm. เตรียมตัวเตรียมข้าว mm. เตรียมของไว้รับกับสถานการณ์ได้ mm. เช่นถ้าเรารู้ว่าถนนนนทางที่จะไปนี้ mm. เป็นแบบขึ้นเขาลงห้วย mm. เป็นถนนที่ขรุขระไม่ใช่เป็นถนนราบเรียบที่ราดยาง เราก็ต้องคิดถึงรถยนต์ที่เราจะเอาไปว่าเราควรจะเอารถยนต์ชนิดไหนไปสถานที่ที่เราไปนั้นไปนสถานที่ที่อบดมอุดมสมบูรณ์หรือไปสถานที่ที่แห้งแล้งอดอยากขาดแคลนเรารู้ไว้ล่วงหน้าเราจะได้เตรียมสเสบียงเตรียมอะไรไปให้พร้อมได้ส่วนภาวะอากาศว่า เป็นอย่างไรถ้ารู้ไว้ก็ดีว่าที่ไปนั้นมันจะร้อนหรือมันจะหนาวจะฝนตกหรือจะน้าท่วมหรือจะแห้งแรงเหล่านี้ถ้าเรามีข้อมูลไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวของเราให้พร้อมกับการที่จะต้องรับกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อเรามีข้อมูลที่ดีพร้อมและเราพร้อมตัวของเรา เราพร้อมเพียงในการที่จะเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสเสบียงเตรียมอะไรต่างๆไว้สำหรับรับกับกับเหตุการณ์ข้างหน้าเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนจะไม่ทำให้เราต้องลำบากยากเยน็ยยนเข็นใจเพราะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างไว้รองรับกับสถานการณ์แล้วนั่นเอง ชีวิตของพวกเราก็เป็นเช่นเดียวกันชีวิตของพวกเราก็เป็นการเดินทางเหมือนกันเราต้องเดินทางต่อไปข้างหน้าเราถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเราเตรียมตัวรับมันไว้เวลามันเกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็สามารถรับมันได้ฟันฝ่ามันได้ไปอย่างไม่สะทกสะท้าน อย่างไม่มีความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดคู่มือของชีวิตที่ดีที่สุดนั้นก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับแผนที่เปรียบเหมือนกับข้อมูลต่างๆกับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราศึกษาไว้ให้ดีแล้วจดจาไว้ให้ดี อย่าให้หลงลืมจากจิตจากใจเราแล้วเราก็จะมีสิ่งที่เราจะเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลไว้คอยเตือนคอยบอกเราล่วงหน้าเราก็จะไปแบบคนตาหมืดบอดไปไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องเกิดความว้าวุ่นขุ่นโัวเกิดความระส่ำรซสายเกิดความทุกข์อย่างมากตามมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลที่ดีไว้คอยเตือนใจเราไว้ล่วงหน้าก่อนไว้คอยให้เราเตรียมตัวเตรียมสิ่งต่างๆ ไว้รับกับสถานการณ์ต่างๆดังนั้นชีวิตของเราจะดําเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือไม่เรามีข้อมูลพร้อมเพียงพอที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราควรที่จะทําตัวเราอย่างไรเตรียมตัวเราอย่างไรไว้ให้กับรับ รับกับสภาพต่างๆเช่นถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกเราก็เตรียมร่มไว้เตรียมเสื้อฝนไว้เตรียมที่กักเก็บน้ําไว้เพื่อเราจะได้มีน้ําใช้ถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามันจะแห้งแรงเราก็เตรียมเอาน้ําเอาท่าติดตัวเราไปถ้าอย่างนี้มันก็จะทําให้เราไม่เดือดร้อนนั่นเองชีวิตของเราก็เป็นเช่นเดียวกัน ข้างหน้าเรานั้นยังมีเหตุการณ์รลายต่างๆที่รอเราอยู่ที่เราจะต้องพบจะต้องเผชิญกับมันถ้าเรารู้แล้วเราเตรียมตัวไว้ก่อนเท่ากับเรามีอาวุธไว้ต่อสู้เมื่อเรามีอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรูแล้วมันก็จะไม่มีศัตรูนั่นก็จะไม่สามารถมาทำลายเราได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าพวกเราทุกคนนั้น เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความเจ็บไข้ได้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง ย่อมมีการประสบพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเหล่านี้เป็นเรื่องราวของชีวิตเราที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อเรารู้แล้วว่ามันจะต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะไม่ทำให้เราต้องเดือดเนื้อร้อนใจเ mm hmm. ช่นเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องอยู่ ตามลําพังอยู่คนเดียวเราก็ฝึกหัดอยู่คนเดียวไปก่อนอย่าไปหวังพึ่งอะไรจากใครให้มากจนเกินไปหัดพึ่งตนเองที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปหวังพึ่งใครแต่ถ้ามีใครเขายินดีที่จะมาให้ความอุปการะให้การช่วยเหลือ เราก็ไม่ขัดข้องแต่เราต้องพร้อมเสมอที่จะต้องยืนหยัดบนลำแข้งลำขาของตัวเราให้ได้ถ้าเราเตรียมตัวไว้แล้วไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ในตัวของเราเองแต่ถ้าเราหวังพึ่งคนอื่นหวังพึ่งสิ่งอื่นมาให้ความสุขกับเราเมื่อ บุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นนั้นเกิดมีการสูญเสียเกิดมีการแยกจากเราไปเราก็จะลำบากลำบนเพราะเราไม่เคยอยู่ด้วยลาแข้งลาขาด้วยกำลังของเรานั่นเองเราเคยพึ่งพาอาศัยผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อผู้อื่นผู้ที่เราได้พึ่งพาอ า, ายนั้น เกิดมีความจําเป็นที่จะต้องลาจากเราไปเราก็จะไม่รู้จะทําอย่างไรถ้าเราเป็นคนอ่อนแอมากๆบางทีเราอาจจะไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปถึงกับจะต้องทําลายชีวิตของเราเลยก็มีอยู่เป็นจํานวนมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรนั่นเองทํามาหากินก็ไม่เป็น อยู่คนเดียวก็รู้สึกเศร้าส้อยหงอยหเหงาไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมชีวิตมันแทบจะไม่มีความหมายเลยอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์รุ่มเร้าอยู่ตลอดเวลาเลยเกิดความเห็นผิดขึ้นมาคิดว่าการทําลายชีวิตของตนเองนั้นจะเป็นวิธีที่จะพาให้ตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงไว้ว่า การทำลายชีวิตของตนเองนี้ mm hmm. เท่ากับส่งตนเอง mm hmm. ให้ไปตกนรกต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานแล้วเมื่อตายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก mm hmm. ก็จะต้องมาทำลายชีวิตของตนอีกเรื่อยๆไปเพราะมันจะเป็นนิสัยติดตัวไป mm hmm. เกิดพบไหนชาติไหนก็จะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาเพราะไม่รู้จักวิธีพึ่งตนเองชอบพึ่งคนอื่นชอบภาษาคนอื่นอยู่เรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาที่ตนเองไม่มีที่พึ่งแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาแบบเดิมๆคือทำลายชีวิตของตอนเองก็ชีวิตของตอนเองก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก็จะวนเวียนอยู่กับการตกนรกหมกไหม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องกลับมาฆ่าตัวเองอยู่อย่างนี้ไปแล้วก็กลับไปตกนรกอีกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ ไปไม่รู้จากจบจากสิน้นแต่ถ้าเป็นคนที่รู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆในะชีวิตว่าชีวิตของคนเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเราจะไปหวังพึ่งพาทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดเวลานั้นไม่ได้ชีวิตมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามีได้มีเสียเป็นธรรมดาเราจึงต้องหัดรับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆ อย่าไปคิดว่าเราจะต้องสุขเสมอไปชีวิตของเรามันมีความทุกข์มันมีความสุขคู่กันมันมีความสุขได้มันก็หมดได้เมื่อความสุขหมดไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์มันเข้ามาแทนที่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ไปความสุขมันก็กลับมาชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้ใจผู้ดาเนินชีวิตนี้ความจริงแล้วก็ไม่ ไม่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทําลายใจนี้ได้จะก็จะมีความทุกข์ขนาดไหนก็ตามก็มไม่สามารถทําลายใจอันนี้ได้แต่สิ่งที่จะทําลายหรือสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ก็คือความหลงนั่นเองคือความไม่รู้เรื่องหน้ามาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะเมื่อไม่รู้แล้วก็จะไม่เตรียมตัวไม่ไม่รู้ว่า ใจนั้นเป็นธรรมชาติอย่างไรถ้ารู้ว่าใจนี้เป็นธรรมชาติอย่างไรแล้วจะรับกับเหตุการณ์ได้อย่างไร mm. ก็สามารถที่จะ mm. ดำเนินหรือเตรียมตัวเตียมใจไว้รับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะธรรมชาติของใจนี้เป็นธรรมชาติที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าจะ สัมผัสรับรู้ความทุกข์มากน้อยเพียงไรหรือความสุขมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลมันไม่ได้ทำให้ใจนั้นใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือหายไปใจมันเป็นใจอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นตลอดมันเป็นธรรมชาติที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นธรรมชาติที่ไม่สูญหาย มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับมันเท่านั้นเองถ้ามันเป็นใจที่ฉล า, าดมันก็จะรับรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางคืออะไรมาสัมผัสก็รู้ว่ามันมาสัมผัสมาสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกับโลหะเหล็กเหล็กนี่เราเอาค้อนไปทุบมันก็บุกไปหน่อย แต่เหล็กมันก็ไม่สูญหายไปไหนเราเอาอะไรนิ่มๆไปลูบไปทามันมันก็ยังอยู่คงสภาพของมันเดิมอยู่ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีปัญญาถ้ารู้ว่าธรรมชาติของใจนั้นเป็นอย่างไรก็จะไม่มีความวิตกมีความภวาเวลาที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่เหลวลายก็จะสามารถสัมผัสรับมันได้รับรู้มันได้เท่านั้นเองรู้แล้วมันก็ผ่านไปเช่นสมมุติว่าวันนี้เรามีความทุกข์มากมีเรื่องราววุ่นวายใหญ่โตเช่นมีไฟไหม้บ้านเรามีขโมยขึ้นบ้านเรามีคนมาจะคอยมาทำาลายชีวิตเราใจเราก็รับรู้ต่ามความเป็นจริงแล้วพอเหตุการณ์นั้นผ่านไป ใจเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าใจเราไม่ฉลาดใจเราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็เกิดความตก อ, อกตกใจคิดว่าจะต้องตายจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทั้งทั้งที่ความจริงแล้วใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ใจนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถูกทำลายให้หายไปได้แต่เพราะใจมีความหลงใจจึงไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพอมีใครจะมาทําลายร่างกายก็เกิดความหวาดวิตกเกิดความกลัวขึ้นมาจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากมายแต่ถ้าใจนั้นได้รับการศึกษาได้รับการอบรม จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าใจนี้เป็นธรรมชาติที่รับรู้เรื่องราวต่างๆท่านั้นส่วนร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของใจใจได้สมบัติชิ้นนี้มาเหมือนกับเราได้สมบัติชิ้นอื่นๆมาเช่นได้รถยนต์มาได้บ้านมาได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของเราได้สามีได้ภรรยา ได้ลูกได้หลานเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติทั้งสิน้นแล้วก็เป็นสมบัติที่ไม่จีรังทาวรเป็นสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดแล้วมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่ใจผู้รับรู้ลเป็นเจ้าของของสมบัติเหล่านี้นั้นไม่ได้สูญหายไม่ได้ เกิดไม่ได้ดับไปกับสมบัติต่างๆเหล่านี้ใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมสมบัติต่างๆถึงแม้จะมามากมายกายกองก็ไม่ได้ทำให้ใจใหญ่หญขึ้นหรือวิเศษขึ้นเวลาสูญเสียสมบัติอะไรไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้ใจนั้นเสื่อมลงไปเล็กลงไปแต่อย่างใดใจก็ยังคงเดิมอยู่อย่างนั้น นี่เป็นธรรมชาติของใจเพราะใจมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้ามีปัญญาก็จะทําหน้าที่นี้ได้สมบูรณ์แต่ถ้าไม่มีปัญญาขาดความหลงถ้าขาดปัญญามีความหลงแล้วใจก็จะเริ่มยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆรวมถึงร่างกายของตนเองว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเองแล้วก็เกิดความ วิตกเกิดความกังวลเมื่อร่างกายนี้จะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมานี่ท้งนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่มีข้อมูลไว้คอยสอนคอยบอกคอยเตือนไว้ล่วงหน้าก่อนว่าใจเวลาดำเนินชีวิตไปแล้วจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรม ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวของสมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีความจีรังยั่งยืนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับ ให้เป็นของของตนเองให้อยู่กับตนเองให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้ตลอดไปเพราะมันเป็นของธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติเช่นฝนฟ้าเราก็รู้อยู่ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ฝนมันจะตกเราก็ห้ามไม่ได้ฝนมันหยุดเราอยากจะให้ฝนมันตกมันก็ไม่ตก macht. เพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับมันได้นั่นเอง อันใดทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่ใจเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาครอบครองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่สิ่งเดียวที่ใจสามารถควบคุมได้บังคับได้ก็คือใจของตอนเองนั่นแหละถ้ารู้จักควบคุมบังคับจิตใจของตอนเองไม่ให้หลงละเลิงไปกับสิ่งต่างๆที่ตนเองได้มาเป็นสมบัติแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ จะไม่มีความวุ่นวายจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องเกิดการพาดพากจากใจไปนี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของเราที่เราต้องประเชิญต้องประสบต้องพบเห็นถ้าเราไม่มีใครมาสอนมาบอกเราเราก็จะเดินไปแบบคนลุ่มหลงคนไม่มีปัญญาได้อะไรมาก็ดีอกดีใจ แทบจะลอยตัวขึ้นสวรรค์แต่พอสูญเสียอะไรไปก็เศร้าโศกเสียใจแทบจะตกนรกลงไปเพราะจิตใจไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นของชั่วคราว ท, ทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้เท้าวนตลอดเลยมีมาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ไปมันไม่ไปเราก็ไป เรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วนำมาสอนจิตสอนใจเราแล้วพยายามปรับใจของเราให้ทาหน้าที่ของใจให้ถูกต้องคืออย่าไปรุ่มอย่าไปหลงให้รู้เฉยเฉยให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่เรามีก็ต้องหมดไป รู้เท่านี้แล้วใจของเราก็จะได้ปล่อยวางใจของเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ได้ไปอยากให้มั น, เ ป, น, น, นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่ามันบังคับควบคุมมันไม่ได้นั่นเองเราไม่ควบคุมบังคับฝนฟ้าดินฟ้าอากาศชั้นใดเราก็ไม่ควรที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆที่เรามีไว้ครอบครอง แต่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาเราก็ดูแลไปรักษาไปเท่าที่เราจะสามารถทำได้แต่ถ้ามันถึงเวลาที่มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเรื่องของมันเราก็อย่าไปวิตกอย่าไปกังวลเราปล่อยไปตามความเป็นจริงเช่นสามีเราหรือภรรยาเราเกิดนอกเนื้อนอกใจเราเกิดจะอยากจะทิ้งเราไป ก็ปล่อยเขาไปเราไปหักห้ามก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราหักห้ามได้ก็คือใจของเราเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสามีคนนี้ไม่มีภรรยาคนนี้เราก็อยู่ได้ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแล้วเมื่อเขาไปเราทาไมจะต้องเดือดร้อนได้คนในโลกนี้ไม่ใช่มีอยู่คนเดียวมีอยู่เป็นล้านๆคนด้วยกันคนนี้ไปหาใหม่ก็ได้ถ้ายังอยากจะหาใหม่อยู่ แต่ถ้าคนฉลาก็จะคิดว่าหาคนใหม่มาเดี๋ยวมันก็เหมือนคนเก่าอกีกใหม่ๆ ม, มันก็ดีทั้งนั้นพออยู่กันไปสักพักหนึ่งแล้วสันดานเก่ามันก็จะออกมาธาตุแท้ของคนมันก็จะออกมาซึ่งคนเราทุกคนไม่ว่าใครส่วนใหญ่แล้วธาตุแท้ก็เป็นของที่ไม่ดีทั้งนั้นคือเป็นคนขี้เกียจเห็นแก่ตัวอย่างนี้เป็นต้นไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะต้องสร้างความเอื้อมระอาใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ ถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเรื่องอะไรเอาเขามาใส่หัวทำไมแล้เมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้ความจริงนั้นความสุขมันมีอยู่สองแบบด้วยกันความสุขที่เกิดจากสิ่งของบุคคลต่างๆมาให้ความสุขกับเรากับความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางคืออยู่คนเดียวไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้อยู่ตามหลักความเป็นจริงของใจ คือใจถ้ารู้อย่างเดียวว่าใจนี้สามารถอยู่ตามลำพังของมันได้โดยไม่ต้องมีอะไรและจะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าการมีอะไรมาครอบครองเสียอีกเพราะเมื่อมีอะไรมาครอบครองก็ต้องมีความผ่วงมีความกังวลมีความพลาดพาจากกันก็ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ แต่ถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีอะไรที่จะต้องมาให้ความทุกข์กับเราเราอยู่ของเราเราก็มีความสุขได้ถ้าเรารู้จักคำใจของเราให้ปล่อยวางอย่าไปอยากในสิ่งนั้นอย่าไปอยากในสิ่งนี้เห็นอะไรอยากอะไรก็ต้องสอนตนเองว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นได้อะไรมามันเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปดีเดียเด๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมันก็กลายเป็นของไม่ดีไปแล้วหรือได้มาไม่นานเดี๋ยวมันก็จากเราไปทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีปัญญาสอนใจเราไว้อยู่เสมอว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันเป็นอย่างนี้มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรที่จะคงเส้นคงวาแล้วเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้ เราได้อะไรมาเราอยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆแต่เขาไม่อยากจะอยู่กับเราไปนานๆเราจะทำอย่างไรถ้าเราทำใจได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไปก็ไปอยู่ก็อยู่ต้องต้องพยายามทำใจให้ได้เพราะใจเป็นสิ่งที่เราทำได้แต่เราไม่ค่อยชอบทำกันเพราะเราไม่รู้ว่าการทำใจนี้เป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นการสร้างสรรค ที่พึ่งให้กับตัวเรานั่นเองเพราะถ้าเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ตามลำพังของเราได้แล้วไม่ว่าอะไรจะมาอะไรจะไปมันก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราจะไม่ดี อ, อกดีใจเหมือนกับคนที่เขามีความรุ่มหลงเวลาได้อะไรมาก็จะรู้สึกดี อ, อกดีใจเพราะมองด้านเดียวมองแต่ด้านได้นั่นเองไม่คิดถึงด้านเสียที่จะตามมา แต่คนที่เจริญนั้นจะมองทั้งสองด้านมองด้านได้ ด, ด้วยแล้วก็ต้องมองด้านเสียด้วยเพราะมันเป็นของคู่กันได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเมื่อตายไปแล้วก็ต้องเสียมันทุกอย่างแล้วเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาสมบัติอะไรมาเลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวเสื้อผ้าเรายังไม่มีติดตัวมาเลยเวลาเกิดมาเวลาตายไปเขาก็ให้เราไปชุดเดียวเท่านั้นเอง เพื่อที่จะได้ไม่ดูมันอุดจ่าตาเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเราก็ไม่มีอะไรได้ไปในบรรดาสมบัติข้าของเงินทองต่างๆสิ่งที่เราจะได้ไปก็มีแต่บุญหรือบาปหรือความโง่หรือความฉลาดเท่านั้นเองถ้าเรามีบุญก็มีความฉลาดติดตัวเราไปความฉลาดนี้ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตของเรา ไปอย่างแค้วคาดปลอดภัยจนในที่สุดจะถึงจุดหมายปลายทางที่ประเสริฐเลิศโลกที่บรรดานักปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกคนถ้ามีปัญญามีบุญมีความฉลาดมันก็จะพาเราไปสู่จุดนั้น ถ้าเรามีความโง่มันก็จะพาเราวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เช่นเมื่อกี้ได้อธิบายว่าเมื่อมีความโง่เกิดความทุกข์ก็ท่าตัวตายก็ต้องไปตกนรกหมกไหม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะใช้ทิสายเดิมดดาเนินชีวิตเดิมเมพิ่มสิ่งนั้นเพิ่มสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆพอขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ก็อยู่ไม่ได้ ก็ต้องทำลายชีวิตของตนเองนี่คืออยู่แบบโง่เขาเบาปัญญาอยู่แบบไม่มีไม่มีความรู้ไม่สนใจที่จะศึกษาร่องเรียนฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าถ้าเรามันฝึกฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนม า, าค่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้ว เราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเราจะมีอาวุธไว้ต่อสู้กับความหลงที่ชอบหลอกให้จิตใจไปยึดไปติดไปอยากสิ่งนั้นไปอยากสิ่งนี้แล้วก็ต้องไปทุกข์ไปเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กับสิ่งต่างๆแต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนจิตขอนใจแล้วก็จะบอกว่าอย่าไปอยากอย่าไปเอาอะไรมาทั้งสิ้นใจนั้นไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้ ทำใจให้สงบทันั้นพอเพราะเมื่อสงบแล้วมันมีความอิ่มเอิบใจมันมีความสุขมันมีความปิติว่าการที่จะทำจิตใจของเราให้อิ่มเอบมีความสุขใจมีความฉลาดรอบรู้นั้นก็ต้องอาศัยสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติการอย่างสม่าเสมอนั่นก็คือทรงสอนให้เราหมั่นทาบุญให้ทานอยู่เรื่อย องให้รักษาศีลอย่าไปเบียดเบียดผู้อื่นทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นชีวิตของผู้อื่นสมบัติของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่รักที่สงวนถ้าไปทำลายหรือไปแย่งชิงเขามาเขาก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจแล้วเขาก็จะต้องมาชำระแค้นกับเรา ก็จะทำให้เราไม่สามารถอยู่อย่างสงบร่มเย็ยนเป็นสุดได้ดังนั้นเราในการดาเนินชีวิตของเราเพื่อดูแลรักษาอัต ภ, ภาพร่างกายของเราเราก็ต้องดำเนินด้วยวิธีที่สุดจริตทรรมากินด้วยอาชีพที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมคือให้พยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเอง ให้สมบสอนจิตสอนใจให้เกิดปัญญาคือคอยเตือนอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงต้องจะประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเพราะนี่เป็นคติของโลกเป็นธรรมดาของโลกไม่ว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเจอด้วยปัญญาก็ไม่ทุกข์ ถ้าเจอด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาก็จะร่มทุกข์จะต้องเศร้าโศกเสียใจดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตของเราไปอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์มารุ่มเล้าจิตใจของเราเราก็ต้องมันพึ่ิปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนจิตสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่สอนแล้วมันจะลืมเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละอย่าไปคิดว่าเราไม่ลืมพอเราออกจากวัดนี้ไปปับเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากได้แล้วโดยไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่ได้มาก็ต้องจากเราไปแต่ถ้าเราคอยสอนเราอยู่ตลอดในวาว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไร แล้วก็ต้องทิ้งมันไปเราก็ต้องจักมันไปสู้ยาเอามาดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่ตามลำพังไม่มีสมบัติอะไรนั้นะเป็นการอยู่ที่สบายที่สุดเป็นการอยู่ที่สุขที่สุดเพราะจิตใจไม่ต้องมามีภาระในการดูแลรักษาไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆไป